ปัญหาที่เจ็ดถามเรื่องมนสิการวงเล็บเปิดการกำหนดจิตวงเล็บปิดพระเจ้ามิลินตัดถามว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้ใดไม่เกิดอีกผู้นั้นย่อมไม่เกิดอีกด้วยโยนิโสมนสิการวงเล็บเปิดคือการกำหนดจิตด้วยอุบายที่ชอบรมวงเล็บปิดไม่ใช่หรือพระเทระตอบว่า ขอถวายพระพรบุคคลไม่เกิดอีกด้วยโยนิโสมนัสิการคือด้วยปัญญาและด้วยกุศลธรรมอื่นๆข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยนิโสมนัสิการกับปัญญาเป็นอันเดียวกันหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างเดียวกันคือโยนิโสมนัสิการก็อย่างหนึ่งปัญญาก็อย่างหนึ่งแพะแกะสัตว์เลี้ยงกระบือ อูดโคลาเราใดมีมณสิการแต่ปัญญาย่อมไม่มีแกสัตว์เหล่านั้นขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเสณปัญหาที่8ถามลักษณะมณสิการพระเจ้ามิรินตัดถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสณมณสิกามีลักษณะอย่างไร ปัญญามีลักษณะอย่างไรพระนาคเสณตอบว่ามหาราชะมณสิกามีความอุตสาหะเป็นลักษณะและมีการถือไว้เป็นลักษณะส่วนปัญญามีการตัดเป็นลักษณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามณสิกามีการถือไว้เป็นลักษณะอย่างไรปัญญามีการตัด เป็นลักษณะอย่างไรขอจงอุปมาให้แจ้งด้วยอุปมาคนเกี่ยวข้าวมหาบพิษทรงรู้จักวิธีเกี่ยวข้าวบ้างไหมรู้จักพระผู้เป็นเจ้าวิธีเกี่ยวข้าวนั้นคืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคือคนจับกอข้าวด้วยมือข้างซ้าย แล้วเอาเคียวตัดให้ขาดด้วยมือข้างขวามหาราชะข้อนี้มีอุปมาชันใดคือพยโยคาวจรถือไว้ซึ่งมนาสิการคือกิเลสอันมีในใจของตนแล้วก็ตัดด้วยปัญญาฉันนั้นมนาสิการมีลักษณะถือไว้ปัญญามีลักษณะตัดอย่างนี้แหละขอถวายพระพรถูกดีแล้วพระนาคศีน อธิบายคำว่ามณสิการมีลักษณะถือไว้หมายถึงการกาหนดจิตพิจารณาขันธ์ห้าคือร่างกายว่ามีสภาพเป็นอย่างไรส่วนปัญญามีลักษณะตัดหมายถึงยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่าร่างกายมีสภาพเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราดังนี้ ปัญหาที่9ถามลักษณะศีลพระเจ้ามิรินตัดถามว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในข้ อ, อก่อนวงเล็บเปิดปัญหาที่เจ็ดวงเล็บปิดว่าบุคคลไม่เกิดอีกด้วยได้กระทากุศลธรรมเหล่าอื่นไว้โยมยังไม่เข้าใจจึงขอถามว่าทำเหล่าไหนเป็นกุศลธรรมเหล่านั้น พระเถระตอบว่ามหาราชะสินศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้แหละเป็นกุศลธรรมเหล่านั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสินมีลักษณะอย่างไรมหาราชะสินมีการเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะคือ ศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งปวงอันได้แก่อินทร์พระโพชฌงสติประธานสมประธานอิทธิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติกุศลธรรมทั้งปวงของผู้ตั้งอยู่ในศีลแล้วไม่เสื่อมขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดอุปมาอุปมาห้าอย่างมหาราชะ อันต้นไม้ใบหญ้าทั้งสิ้นได้อาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินแล้วจึงเจริญงอกงามขึ้นชั้นใดพโยคาวจรได้อาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงทําให้เกิดอินรียห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นได้ชั้นนั้นโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปมหาราชะ การงานทั้งสิ้นที่ทำบนบกต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงทำได้ชั้นใดพโยคาวจรก็อาศัยศิล์นตั้งอยู่ในศิลนจึงทำให้เกิดอินทรีห้าขึ้นได้ชั้นนั้นโปรดอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกมหาราชบุรุษที่เป็นนักกระโดดโรดเต้นประสงค์จะแสดงศิลปะ ก็ให้คนถากพื้นดินให้ปราศจากก้อนหินก้อนกวดทำให้สม่าเสมอดีแล้วจึงแสดงศิละปะบนพื้นดินนั้นได้ฉันใดพโยคาวจรก็อาศัยศิลนตั้งอยู่ในศิลนแล้วจึงทำให้เกิดอินรี่ห้าขึ้นได้ฉันนั้นนิมนต์อุปมาณให้ยิ่งขึ้นกว่านี้มหาราชะ นายช่างประสงค์จะสร้างเมืองให้ปาาพื้นที่จนหมดเสียนน้ำรักต่อทำพื้นที่ให้สม่ำเสมอดีแล้วจึงกะถนนต่างๆมีถนนสี่แงสามแงเป็นต้นไว้ภายในกำแพงแล้วจึงสร้างเมืองลงชั้นใดพโยคาวจรก็อาศัยศิล์นตั้งอยู่ในศิลนแล้วจึงทำให้เกิดอินรี่ห้าขึ้นได้ชั้นนั้น ขอจงอุปมาให้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกมหาราชพลลบผู้เข้าสู่สงครามตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่อันเสมอดีกระทําพื้นที่ให้เสมอดีแล้วจึงกระทําสงครามก็จัดได้ชัยชนะใหญ่ในไม่ช้าฉันใดพโยคาวจรก็อาศัยศิลตั้งอยู่ในศิลแล้วจึงทําให้เกิดอินรี่ห้าให้เกิดได้ฉันนั้น ข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระพรกควันบรมศาสาศดาตัดไว้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรรู้จักรักษาตัวมีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วทำจิตและปัญญาให้เกิดขึ้นย่อมสัสงซึ่งความรุงแรงอันนี้ได้ศีล น, นี้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนกับพื้นธรณีอันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งหลาย สินนี้เป็นรากเง้าในการทำกุศลให้เจริญขึ้นสินนี้เป็นหัวหน้าในาศาสนาขององค์สมเด็จพระชิน์สีทั้งปวงกองสินอันดีได้แก่พระปฏิโมกขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเษน